และมณสิการความทำไว้ในใจคือใส่ใจในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆนามจึงได้แก่เวทนาสัญญา เจตนาผัดสะและมนะิการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณแสดงโดยชื่อไว้ในข้อนามในที่นี้ ทำไมจึงไม่แสดงไว้ก็น่าจะเห็นว่าเพื่อที่จะให้ไม่เข้าใจสับสนในลำดับของธรรมะที่เกิดเนื่องกันเป็นสายเหมือนอย่างลูกโซ่ที่คล้องเนื่องกันไปเป็นสาย เพราะว่าสังขารและวิญญาณได้กล่าวไว้ในลำดับมาแล้วอวิชชาเกิดสังขารเกิดหรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเกิด หรือว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามารูปเกิดหรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปต้นเลกล่าวหรือยกเอาคําว่าสังขารและคาว่าวิญญาณไปใช้ในลําดับข้างต้นนั้นแล้ว มาถึงนา ม, มารูปเมื่ออธิบายถึงข้อนามจึงไม่ใช้คำมาสังขารไม่ใช้คำวิญญาณในข้อนามนี้แม้ว่า ความหมายของคำว่าสังขารกับคำวิญญาณในลำดับที่กล่าวมาข้างต้นในหมวดปฏิจฏจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นนี้จะมีความหมายที่แตกต่างไปจากความหมาย ของคำมาสังขารในวิญญาณในขันท่าก็ตามจะหากว่าเอามาใช้ในข้อนามนี้สำหรับในหมดธรรมนี้ก็จะทำทีซ้ำกันแม้เนื้อความจะตา่างกันก็ตามก็จะทำให้เข้าใจสับสนจึงเอา เจตนาพัสสะมนสิการมาใช้แทนแต่ก็ยังมีข้อซ้ำอีกเหมือนกันคือคำเวทนากับพัสสทิจรารในอันดับต่อไปแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นความจำเป็น ที่จะต้องให้มีสองข้อนี้อยู่ในที่นี้ด้วยเพราะว่าสองข้อนี้ย่อมเป็นนามในขันห้า หรือในข้อวันนามารูปนี้ด้วยจริงๆและแม้คำว่าสังขารคำว่าวิญญาณจะไม่ได้กล่าวถึงแต่คำว่าเจตนาผัสสะมณสิการเจตนานั่น ก็เป็นความจงใจก็จัดเป็นสังขารในขันธ์านั่นเองเราสังขารในขันธ์านั้นได้เก่ความคิดปรุงคิดตามสัญญาคือความจำหมายเจตนาคือความจงใจ ก็มีลักษณะเป็นความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั่นเองซึ่งเป็นไปตามสัญญาขัตตะนั้นเล่าก็เนื่องดนวิญญาณในขันห้าและมนสิการนั้นเล่าทำไว้ในใจ ก็เท่ากับเป็นวิญญาณเหมือนกันเพราะวิญญาณนั้นที่เป็นความรู้คือเห็นรูปรู้คือได้ยินเสียงเป็นต้นนั้นก็ต้องเอาเรื่องรูปเรื่องเสียงนั้นเข้ามาใส่ไว้ในใจจึงจะเกิดการรู้รูป ที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นภัฒสมนสิการนั้นก็เนื่องกับวิญญาณนี่จัดเข้าเป็นวิญญาณในขันห้าได้แต่ใช้คำให้แตกต่างกันไปเสียและก็พึงเข้าใจว่า ทุกๆข้อในปฏิจจสมุปบาทนี้มีอยู่กันมีอยู่ด้วยกันแล้วทั้งนั้นในจิตนี้หรือในกายและจิตนี้ของทุกๆคน สำหรับในธรรมะที่แสดงถึงข้อที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นดังกล่าวมานั้นก็แสดงเป็นทางพิจารณาถึงว่าทุกๆุกอย่างที่มีอยู่ในทุกๆุกคนนี่เนื่องกันไปอย่างไร เหมือนอย่างว่าเรือนหลังหนึ่งย่อมมีอยู่พร้อมตั้งแต่ฐานรากเสาและเรื่องทัพประสัมภาระทั้งหลายของเรือน จนถึงหลังคามีอยู่พร้อมทุกทุกอย่างเรา่นี้เมื่อต้องการที่จะแสดงว่าความประกอบเข้าเป็นเรือนทั้งหลังนี้ตัว ถัาประสัมภาระมีเครื่องไม้เป็นต้นที่ประกอบขาเป็นเดือนนั้นทอนขึ้นไปอย่างไรตั้งแต่ราบฐานจนถึงหลังคาหรือว่าตั้งแต่หลังคาลงมาจนถึงราบฐานเหมือนดังจะกล่าวว่าราบฐานมีก็มีเสา ตั้งขึ้นเมื่อมีเสาตั้งขึ้นก็มีตัวพื้นเรือนตั้งขึ้นอันประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆของพื้นเรือนและเมื่อมีพื้นเรือนตั้งขึ้นก็มีฝาตั้งขึ้น เมื่อมีฝาตั้งขึ้นก็ยังมีประตูมีหน้าต่างตั้งขึ้นและเมื่อมีประตูหน้าต่างตั้งขึ้นก็มีที่สุดของฝาเมื่อมีที่สุดของฝาก็ต้องเรามีหลังคาหลังคามีอะไรบ้างตั้งขึ้นก็ต่อกันขึ้นไปจนถึ ง, ถงอกไก จนถึงระเบ้อมุงลังคาเพราะฉะนั้นเรือนหลังหนึ่งที่ตั้งขึ้นมานั้นก็ต่างเป็นปัจจัยอาศัยซึ่ง ก, นในใการไหลขึ้นไปดังนี้ตั้งแต่รากฐานขึ้นไปจนถึงยอดหรือว่ายอดลงมาจนถึงรากฐานข้างล่างนี่เปรียบเหมือนว่าเป็นเรือนไม้ได้ทุนโปรง่ง เหมือนยัเรยน้องชาวบ้านในชนบททั่วไปแม้วัตถุอื่นก็เช่นเดียวกันและในการอธิบายของทัพพสมภาระแต่ละชิ้นนั้นเห็นว่าเพราะมีรากฐานจึงมีสาวตั้งขึ้นมาบนรากฐานรากฐานนั้นได้แก่อะไร รากฐานก็เช่นว่าเป็นไม้เสาเข็มเป็นคอนกรีตผสมด้วยปูนทรายหินแล้วคนนี้เมื่อมีรากฐานก็มีเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐานเป็นเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐาน เสานันก็ได้กอะไรก็จะต้องถ้าเป็นเสาปูนก็ต้องเป็นคอนกรีตก็จะต้องว่ากันถึงว่าต้องประกอบด้วยเหล็กด้วยหินด้วยทรายด้วยปูนก็ซ้ำกันกันกบรากฐานนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ซ้ำกันนั่น มีหน้าที่ต่างกันสำหรับที่เป็นเสาเข็มเป็นปูนเป็นทรายเป็นเหล็กเป็นหินที่ทำเป็นรากฐานนั้นมีหน้าที่เป็นรากฐานแต่ว่าเมื่อมาถึงเสาเป็นปัจจัยให้เสาตั้งขึ้นบนรากษาบนรากฐา น, น, าฐานพวกเหล็ก ปูนทรายหินเหล่านี้ก็มาเป็นเสาแม้เครื่องใช้ถ้าประสัมภะสูงขึง้นสูงขึง้นถ้าเป็นเครื่องปูนก็จะต้องใช้วัตถุที่ซ้ำมาอยู่นี่แหละถ้าเป็นเครื่องไม้เจริมาเป็นฝาไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้ เป็นประตูหน้าต่างถ้าเป็นไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกันวันนั้นเป็นฝานั้นเป็นประตูเป็นหน้าต่างนั้นมาเป็นเครื่องหลังคาถ้าหว่าเป็นป้นก็ต้องใช้วัตถุที่เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นทรายเป็นหินนั่นแหละแต่ว่ามาใช้เป็นเครื่องบนของหลังคาถ้าเป็นไม้ก็ใช้ไม้นั่นแหละแต่มาใช้เป็นเครื่องบนของหลังคา จนถึงยอดก็แปลว่าวัตถุที่มาประกอบเป็นเรือนนั้นก็ใช้ไม้ใช้เหล็กใช้อิดใช้ปูนใช้ทรายก็ตั้งแต่รากฐานขึ้นไปจนถึงหลังคาแต่ใช้ไม้ก็ต้องใช้ไม้เรือยขึ้นไปจนถึงหลังคานั่นแหละ เพราะฉะนั้นแม้ว่าวัตถุเหล่านี้จะซ้ำกันแต่ว่าก็ใช้ทําหน้าที่ต่างกันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นไปดังที่กล่าวมาแล้วฉันใดก็ดีเมื่อพระพุทธทเจ้าทรงแสดงธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นนี้ก็มีข้อที่ซ้ำๆกันอยู่ ในคนเหตุปัจจัยของกันนั่นแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องซ้ำกันดังที่กล่าวมาในเมื่อเทียบกับบ้านเรือนที่กล่าวมานั่นแต่ว่าแม้ว่าจะซ้ำกันแต่ก็ทำหน้าที่ต่างกัน อวิชชาก็ทำหน้าที่เป็นอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารก็ทำหน้าที่เป็นสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป และนามารูปก็ทำหน้าที่เป็นนามารูปที่เป็นปัจจัยให้เกิดอจาจักรทั้งหกจึงแสดงในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ทําความเข้าใจดังนี้คือเข้าใจว่าธรรมะทุกข้อในธรรมะที่อาศัยบงเกิดการบังเกิดขึ้นนี้ มีอยู่พร้อมแล้วในทุกๆคนและในทุกๆข้อก็มีผสมกันอยู่หลังเมื่อแสดงถึงอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในตัวสังขารนั่นเองก็มีอวิชชาปนอยู่ด้วยสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในวิญญาณนั่นเองก็มีตัวอวิชชามีตัวสังขารปนอยู่ด้วย วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารปูปในนามารูปนี้เองก็มีอวิชชามีสังขารมีวิญญาณปนอยู่ด้วยและนามารูปเป็นปัจจัยให้เกิดอาจตนะกในนามารูปนี้เองก็มีข้างต้นนั้นปนอยู่ด้วยคืออวิชชาสังขารวิญญาณ จึงจะเป็นนามรูปที่เป็นสายบังเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากอาวิชชาซึ่งเป็นสายสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และนามรูปดังกล่าวนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอาจตนาคือหมายความว่าเมื่อนามรูป เป็นนามารูปขึ้นมารูปก็เป็นมหาภูต ร, รูปอุปาทายรูปนามก็เป็นนามดังที่ท่านแสดงไว้เวทนาสัญญาเกตนาพัสมนศสิการและดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก็มีขั้นตนมารวมอยูด้วยทั้งหมด เป็นนามารูปและเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาดังที่ทุกๆคนในบัดนี้ก็มีนามารูปของตนมันเกิดขึ้นอยู่พร้อมอยู่และในนามารูปก็มีอวิชามีสังขารมีวิญญาณ รวมอยู่ด้วยและเมื่อเป็นดังนี้อาจรยณะทั้งหกจึงเกิดขึ้นอันหมายความว่าอาจรยณะทั้งหกจึงปฏิบัติหน้าที่ของอาจรยณะได้คือตาก็รับรูปได้ หูก็รับเสียงได้จมูกก็รับกลิ่นได้เล่นก็รับรสได้กายก็รับผลพระสิ่งที่กายถูกต้องได้เราจนถึงมโนคือใจก็รับธรรมะคือเรื่องราวทางใจได้ตลอดจนถึง ปฏิบัติหน้าที่คู่กันไปกับห้าข้อขังตนนั้นได้คือข้อมันโนคือใจนี่กันเป็นอาจุนณะข้อที่หกนั้นไปในทาหน้าที่เพียงรับอารมณ์คือเรื่องที่ใจคิดใจรู้ เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีหน้าที่ประกอบไปกับตาด้วยตาจึงจะรับรูปจากขุวิญญาณคือเห็นรูปได้ มโนคือใจต้องประกอบไปกับหูหูจึงจะรับเสียงให้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงได้มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับคานะคือจมูกจมูกจึงจะรับกลิ่นให้เกิดคานะวิญญาณคือรู้กลิ่นได้มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับลิ้นลิ้นจึงจะรับรส ให้เกิดชิวหาวิญญาณคือรู้รสได้มนโนคือใจจะต้องประกอบไปด้วยกายกายจึงจะรับสิ่งถูกต้องให้เกิดกายแลวิญญาณคือรู้สิ่งถูกต้องทางกายได้และมนโนคือใจนี้ก็ยังรับธรรมะคือเรื่องราว เป็นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่เด็พบได้เห็นมาแล้วเึ่นว่าได้พบได้เห็นมาแล้วเมื่อเช้านี้เย็นวันนี้มนโนคือใจก็ยังเอามาคิดได้มานึกถึงได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่บังเกิดขึ้นทางมนโนคือใจซึ่งเป็นอาจตนะข้อที่หกเพราะฉะนั้นมนโนคือใจนี่ ต้องประกอบไปกับอาจิรณะห้าคอขังตนนั้นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ด้วยเจนเป็นอาจิรณะข้อพิเศษในข้อนี้ได้กล่าวมาหลายหนแล้วว่าเจนกำอยู่นี่ มนโนคือใจต้องฟังด้วยจึงจะได้ยินถ้ามนโนคือใจไม่ฟังเป็นว่าจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นหูก็ดับทันทีเสียงที่พูดนี้ก็จะไม่ได้ยินต่อเมื่อจิตตั้งที่จะฟังดังที่ในเตืนดังตขัตน้นต้นนะว่าให้มีสมาธิในการฟัง มนโนก็มาพร้อมกับจิตมาฟังเสียงเมื่อเป็นดังนี้หูจึงไม่ดับหูก็ได้ยินจึงได้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงรู้เสียงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมนโนคือใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเท่ากับเป็นทวานในของจิต สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นทวาร น, นอกเขาจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าเป็นบ้านที่มีประตูนอกอยู่ห้าประตูและยังมีประตูในอีกหนึ่งประตูของห้องชั้นในตัวจิตเองนั่นอยู่ในห้องชั้นในเหมือนอย่งว่านั่งอยู่ในห้องชั้นใน ทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาจะต้องผ่านประตูนอกห้าประตูนั่นแล้วจะต้องผ่านประตูในคือโมโนจึงเป็นตัวโมโนทวารจึงจะถึงจิตจิตก็รับอารมณ์ทางโมโนทวารและก็ทางทวารตาทวารหูเป็นต้น ตามประเภทของรูปของเสียงเป็นตน้นฉะนั้นมนโนจึงเป็นสิ่งสำคัญไปรวมความว่าอาจตนะทั้งหกนี้ในเมื่อนามารูปบังเกิดขึ้นอาจตนะทั้งหกนี้จึงปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าหากว่านามารูปไม่บังเกิดขึ้นจตนะทั้งหกนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนเนื้อที่เป็นส่วนประสาทจะมีอยู่ก็ตามแต่ก็เหมือนไม่มียกตัวอย่างเช่นว่า เมื่อนา ม, มารูปต้องสลบสไลดยไปคือในเวลาที่สลบหรือว่าแม้ในเวลาที่หลับสนิท อาจันะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายละมนันะคือใจก็ไม่มังเกิดขึ้นคือไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถึงการหลับนั้นโดยมากหลับไม่สนิทจึงมีฝันซึ่ง ก็มีอธิบายว่ากายส่วนที่เกี่ยวแก่ประสาททั้งห้าข้างต้นตาคูประสาทโสรตประสาทขานะประสาทหิวหาประสาทกายาประสาทหลับแต่ว่าข้อที่หกคือตัวมโนทวานนี้ไม่หลับ เพราะฉะนั้นจึงฝันฝันถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้โดยมากก็เป็นสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเคยได้ยินมาแล้วหรือเคยคิดเคยนึกมาแล้วเก็บมาฝันก็คือมโนโนี่เองไม่หลับแต่ถ้ามโนโหลับก็แปลว่าหลับสนิทไม่ฝัน ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังแสดงกันว่าคนเรานั้นหลับสนิทน้อยฝันมากแต่ว่าฝันที่จำไม่ได้ในเมื่อตื่นนั้นมีน้อยโดยมากจำไม่ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป